มามีเพื่อนชาวอเมริกันคนหนึ่งนะแกเป็นนักบวชในพุทธศาสนาแบบเซนกะเคยเล่าถึงอาจารย์ของอาจารย์นะของท่านนะซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเป็น นักปฏิบัติแนวเซนที่ได้รับความยกย่องมากในอเมริกาคือท่านชุนเรียวซุซุกิเป็นผู้ที่ตั้งสำนักเซนแห่งแรกในอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียศูนย์เซนแคลิฟอร์เนียนีอเมริกาแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียมันชื่อรัฐนะ ศูนย์เซนที่ซานฟรานซิสโกนี้ก็มีชื่อมากนะทุกวันนี้ก็มีเรื่องเล่าว่าตอนที่อาจารย์ชุนเรียวมาสร้างศูนย์เซนที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมันก็ประมาณสักเกือบ60ปีมาแล้วนะเป็นช่วงยุคเดียวกับบิทเตอร์นะบิเอร์เนี่ยก็ประมาณพัน0กตอนที่มา สร้างใหม่ๆนะก็เรียกว่าต้องลงมือก่อสร้างกันเองเพราะว่าค่าก่อสร้างมันแพงนะอาจารย์ก็ต้องลงมือนะสร้างศูนย์เซนขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ก่อร่างสร้างอาคารนะโชคดีที่มีลูกศิษย์นะลูกศิษย์เป็นชาวอเมริกันอยู่ในวัยรุ่นยี่สิบไม่ถึงยี่สิบก็มี พวกนี้ก็คล้ายๆกับพวกคิปปี้นะแสวงหาแสวงหาคำตอบด้านจิตใจพวกนี้ปฏิเสธศาสนาคริสต์แล้วก็เสกปฏิเสธการใช้ชีวิตแบบถุนนิยมวัตถุนิยมซึ่งตอนนั้นกำลังแพร่หลายระบาดมากในอเมริกาละลูกศิษย์เหล่านี้ทั้งหญิงทั้งชายก็มาช่วยกันสร้างกับอาจารย์ ในคราวนึงก็มีการแบกหินนะศูนย์เซนต์นี่ก็ต้องใช้หินลูกเสดซึ่งเป็นหนุ่มสาวเนี่ยแบกหินไปได้สักครึ่งวันก็เหนื่อยแล้วหมดแรง <c oughs> แต่อาจารย์นี่ซึ่งตอนนั้นก็อายุหกสิบแล้วอาจารย์ชุนเวียวเป็นคนร่างเล็กนะตามลักษณะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนก็ทำงานเช้าก็ ทำบ่ายก็ยังทำเรียกว่าทำทั้งวันลูกศิษย์นี่ทำแค่ครึ่งวันก็เหนื่อยแล้วฉั้นที่ตัวใหญ่กว่าอายุก็อ่อนกว่ามากก็แปลกใจรรว่าทำไมอาจารย์ทำได้อย่างนั้นแบกหินแบกของหนักแบกไม้ทั้งวันก็ถามอาจารย์ว่าทำได้อย่างไรอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักทั้งวันนี่ ผมพักทั้งวันอันนี้ตอบแบบเซนก็ว่าได้นะหรือว่าตอบแบบธรรมะก็ได้เพราะว่าลูกศิษย์ก็เห็นอยู่ชัดๆว่าอาจารย์ทําทั้งวันแต่ที่อาจารย์บอกว่าพักนี่ไม่ได้ก็ไม่ได้พูดเล่นลินนะแต่ว่าอาจารย์ตั้งใจจะบอกว่าใจของอาจารย์เนี่ยพักทํางานแต่กายแต่ใจพักคือใจเนี่ย ไม่ได้แบกอะไรไปด้วยก่ายนี้ยังแบกหินแบกไม้นะแต่ว่าใจนะไม่ได้แบกไปด้วยไม่ได้แบกไม้ไม่ได้แบกหินแล้วก็ไม่ได้แบกทั้งไอความรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่ า, าความาเหน็ดเหนื่อยอะไรทุกสิทธิ์เนี่ยนะก็เหมือนคนทั่วไปนะเวลาทํางานเนะี่ยไม่ได้แบกแต่ตัวนะใจก็แบก บางทีก็นึกเอาว่าเมื่อไรจะเสร็จสักทีเมื่อไรจะเสร็จสักทีมีความหนุดหงิดมีความทุกข์ก็แบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางส่วนอาจารย์เนี่ยแบกแต่ตัวแต่ใจนี่ไม่แบกอะไรเลยนะวางหมดอาจารย์ก็เลยทำงานได้ทั้งวัน อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของอาจารย์ชชเนะสุสุกินะซึ่งที่ติงก็คื อ, อาการทำงานควบคู่ไปออกับการปล่อยวางตัวอาจารย์ทำงานแต่ว่าใจนี้ปล่อยวางก็เรียกว่าทำจิตแล้วก็ทำกิจไปด้วยพร้อมๆกันนะอันนี้ถ้าพูด อีกแง่นึงนะก็คือทำทั้งกิจแล้วก็ทำทั้งจิตทำกิจก็คือว่าแบกหินแบ ก, แบกไม้อันนี้เป็นการทำกิจเพื่อสร้างอาคารสร้างศูนย์เซนแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ทำแค่นั้นอาจารย์ก็ทำจิตไปด้วยก็คือใจก็วางอาการจะวางอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสตินะ เพราะว่าถ้าไม่มีสติใจมันก็ไปเผลอแบกไปแบกเอาความทุกข์ไปแบกเอาความหงุดหงิดความกังวลหรือว่าไปแบ ก, กินแบกไม้แบบเดียวกับร่างกายด้วยที่จริงงานทํางานนี่นะมันควรทําควบคู่กับการทําจิตนะอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะ ก็คือว่าการทกากิจกับการทาจิตมันต้องไปควบคู่กันระหว่างที่มือแบกของแบกหินอันนั้นเรียกว่าเป็นการทำกิจส่วนใจก็ทำด้วยทำโดยมีสติหรือว่าทำด้วยการปล่อยวางนะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ย ทำกิจแต่ไม่ทําจิตทํางานก็ทํางานแบบพยุบุแูแคมแต่ว่าไม่รู้จักวางใจอย่างถูกต้อง <c oughs> อันนี้ว่าทํากิจแต่ไม่ทําจิตก็เห็นได้ทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดทําแล้วเครียดทำแล้วทะเลาะ ก, กันนะทําแล้วเกิดความกระทบกระทะกระทบกระทั่งกันเพราะว่าจิตใจขุ่นโม่จิตใจเครียด หรือว่าถึงแม้ไม่ทะเลาะกับใครแต่ว่าตัวเองก็เป็นทุกข์ท้อทแท้นะฉั น, นก็เจอบ่อยอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะก็คือทําจิตแต่ไม่ทํากิจนะก็คือว่าฝึกจิตไปหรือว่าปล่อยวางใจปล่อยวางแต่ว่าปล่อยปะละเลยไปพร้อมๆกันปล่อยวางคือใจปล่อยวาง ที่จริงแล้วเนี่ยใจปล่อยวางแต่ทํากิตได้นะแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่เป็นก็ทําจิตแต่ว่าไม่ทํากิจนะอันนี้ก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติทำจํานนไม่น้อยนะที่ไปเข้าใจพุทธศาสนาสอนให้ปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วก็กลายเป็นปล่อยปะละเลยที่จริงปล่อยวางนี่ท่านหมายถึงการทําจิตส่วนการทํากิจการงานก็ยังทําต่อไป และต้องอต้องนำมาประสานกันให้ได้อันนี้เราเป็นทางสายกลางนะัคือทาจิตแล้วก็ทำกิจไปพร้อมๆกันคนส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะสุดตงคือทำจิตแต่ไม่ทำกิจหรือไม่ก็ทำกิจคือทำการงานแต่ไม่ทำจิตเลยเครียด <c oughs> พวกที่ทำจิตแต่ไม่ทำกิจนี่ก็ใจก็สบายแต่ว่า กลายเป็นไม่รับผิดชอบหรือบางทีกลายเป็นความเห็นแก่ตัวไปในสายตาของคนจำนวนมากหรือว่าเขาจะมองว่าไม่เอาเรื่องไม่เอาเล้าอะไรเลยนะปล่อยวางแต่พืเติมเออันนี้ก็ให้รู้ว่าเนี่ยอันนี้เป็นการยังปฏิบัติไม่ถูกต้องเท่าไหร่ถ้าปฏิบัติถูกต้องนี่ต้องทากิจแล้วก็ทาจิตควบคู่กัน ส่วนใหญ่ชาวพุทธนี่เราจะเข้าใจไม่ครบถ้วนไปเข้าใจพุทธศาสนาสอนให้ทำจิตยอย่างเดียวแล้วก็ลืมเรื่องการทำจิตไปซะอย่างเช่นได้รู้มาว่าได้เรียนมาว่าเออพระพุทธเจ้าสอนเรื่องพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคนก็เลย เวลารับรู้ว่าได้ยินว่าใครมีความทุกข์ก็แผ่เมตตาไปให้อุทิศส่วนกุศลไปให้หรือว่ า, ามีใจน้อมไปอยากจะให้เขาพ้นทุกข์แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะจนกระทั่งมึงมีคนค่อนแค้ว่าชอบพุทธนี้เอาแต่เอาแต่แผ่เมตตาอยู่ในมุ้งนะสมัยก่อนนี่คนไทยเขานอนมุ้งกันนะยังไม่มีมุงหลวดนะ ก็มีการพูดคอนแค่นชาพุดในีเอาแต่แผ่เมตตาอยู่แต่ในมุง้งคือคนก็เดือดร้อนยังไงก็แผ่เมตตาอย่างเดียวแต่ไม่ไทาอะไรเลยในที่จริงที่เขาวิจารณ์อย่างนั้นมันก็มีส่วนถูกนะเพราะว่าถ้าเป็นชาวพุทธที่เข้าใจพุทธศาสนาจริงๆก็จะรู้ว่าการแผ่เมตตานั้นก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่นั้นเราไม่ควรจะหยุดแค่นั้น พูตจานนอกจากจะสอนเรื่องพรหมวิหารสี่แล้วก็ยังสอนธรรมะอีกหมวดหนึ่งควบคู่กันเรียกว่าสังฆวัตถุสี่นะสังฆวัตถุสี่มันจะคู่กับพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสีเ่เป็นเรื่องการทําจิตแต่ว่าสังฆวัตถุสีเ่เป็นเรื่องการทํากิจคือการทําหน้าที่การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเริ่มตั้งแต่การให้ทานคือการสละสิ่งของเอื้อเฟื้อเจือจานด้วยวัตถุตามมาด้วย ปิยวาจาคือการช่วยเหลือเกือ้อกูลด้วยคำพูดพูดคําไพเราะให้กําลังใจหรือว่าผูดชี้นําให้เขาได้เห็นเข้าใจธรรมะอันที่สามอัตจริยาอัตจริยาก็คือการอันนี้ลงมือแล้วลงมือช่วยลงมือช่วยเหลือเข้าหรือลงมือช่วยเหลือส่วนรวม อันที่ 4, สี่สมานตตาตาสมานตตาตานี่ก็บางทีก็แปลว่าเสมอต้นเสมอปลายนะหรือจะแปลว่าปฏิบัติกับผู้อื่นนะอย่างเสมอต้นเสมอปลายหรือปฏิบัติกับผู้อื่นเท่าเทียมกับเท่าเทียมกันหรือจะแปลว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขนะเสมอบาเสมอไหลก็ได้อันนี้ถ้ามีสังคปริศน์สี่เนี่ยนะ มันก็จะทำให้เมตตากรุณาเนี่ยมันออกมาเป็นภาคปฏิบัติแทนที่จะแผ่เมตตาอยู่ในมุ่นะก็ออกจากมุนมานนมาช่วยเหลือเขาด้วยทานด้วยอัธยาจริย า, ยาตตาร่วมทุกข์ร่วมสุขนั้นถ้าชาวผู้เราปฏิบัติอย่างที่ถูกต้องก็เรียกว่าทำทั้งทั้ ง, ท, งทำจิตและทมกิจซึ่งแน่นอนนะมันก็ เกิดผลประโยชน์ เ, เกิดประโยชน์ที่ครบถ้วนทมจิตก็ช่วยทาให้ใจไม่ทุกข์ส่วนทมกิจก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นได้ทั้งประโยชน์ตลและประโยชน์ท่นอันนี้เป็นหลักเลยนะเรื่องการทำจิตกับการทากิจเนี่ยมันเป็นหลักของพุทธศาสนาทีเดียวเพียงแต่ว่าพระพุทธเจา้าทำไม่ได้ใช้คำแบบนี้นะ แต่ว่าถ้าเราศึกษาครบทัวมันจะเป็นอย่างนั้นตัวใหญ่ตัวย า, วยานั่นคือเวลาพระเจ้าสอนเรื่องความไม่เที่ยงหรืออนิจจังนะท่านก็จะสอนท่านก็จะสอนสองแงนะ่คือเมื่อพูดถึงความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วท่านก็จะพูดต่อไปว่างั้นจะทําอย่างไรในด้านหนึ่งท่านก็บอกว่าให้ขนขวาย ทำความเพียรด้วยความไม่ประมาทอย่างที่เราได้สาธยายจากบทที่ว่าโดยปัจฉิมโอวะเนี่ยเวทยธรรมมาสังคาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปะปมาเทนะสัมปะเทธาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือบางทีท่านก็แปลว่าท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือการทํากิจนะทำํำเพื่อถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท นะเช่นเรามีหน้าที่ต่อพ่อแม่เรามีหน้าที่ต่อลูกหลานเรามีหน้าที่ต่อส่วนรวมก็ต้องรีบทำนะอย่าอย่ารอเพราะเวลามีน้อยนะอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะหลายวันก่อนจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบอะไรที่สําคัญต้องรีบทําก่อนนะรวมทั้งการสร้างความดีการสร้างบุญกุศลแต่ในในบางแง่ท่านก็สอนอีกอีกแง่หนึ่งนะ อย่างเช่นบทพิพจารณาโมสกุลตายเนี่ยอันดิจาวัตสังคาราอุปทาทเวธมิโนอุปชิตวันิรุชนติเตสัมอุปส ม, มสขขุสุโคสงขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเมื่อเกิดขึ้นแล้วยมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไปความสงบระงรับแห่งสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งอันนี้ในเรื่องการทำจิตนะก็คือการ หยุดปวงแต่งก็มีความหมายเดียวกันปล่อยวางนะก็คือว่าในเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเราจะไปยึดมั่นได้อย่างไรนะถ้าเราไปยึดมัน่นในสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราถ้าเรายึดไปยึดมันเสียยึดมันเอาไว้แล้วเมื่อมันแปรปวนไปเราก็ต้องเป็นทุกข์ อยู่นั่นเองดงั้นะวิธีที่จะไม่เป็นทโทษคือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นหนะยุดปรุงแต่งหยุดความยึดมั่นถือมั่นไอ้การยึดมั่นถือมั่นก็เป็นความปรุงแต่งอย่างหนึง่งอย่างใจนี้มาว่าเวลาท่านสอนเรื่องอนิจจังเนี่ยท่านจะชี้แนะให้ปฏิบัติอยู่สองอย่างอันแรกคือว่าให้ทําจิตก็คืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยวางให้หยุดปรุงแต่งหมายมั่นในสิ่งนั้น จากขณะเดรยกันท่ก็บอกว่าเนื่องจากเวลามีน้อยนะชีวิตเรามันจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียรีบทำรีบทความดีรีบทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านบางทีคนบางคนเนี่ยก็ไปจับแต่แง่เดียวเช่นพระเจ้าได้ยินว่าพระเจ้าสอนเรื่องอเนี่ยพูดถึงเรื่องอนิจจวัตสังขารา ก็เลยเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนให้ให้ทำจิตอย่างเดียวนะแต่ที่จริงถ้าไปดูปาชิมโมวาก็จะรู้ว่าทําไม่ได้สอนให้ทาจิตเท่านั้นให้ให้ทำกิจ ด, ด้วยก็คือเร่งขนควายทำความเพียรด้วยความไม่ประมาทไอเรื่องความไม่ประมาณนี่มันเป็นเรื่องการทำกิจโดยตรงเลยนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเวลาเราทำงานทำการอะไรก็ตาม เราก็จะไม่ลืมที่จะทำจิตด้วยนะเช่นทำอย่างมีสติและถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยวางไปได้เองนะเช่นเวลามีความหมงุดหงิดเวลามีความเครียดมีความไม่พอใจอา้าวรู้ทันสติช่วยทำให้รู้ทนันรู้ล่าก็วางนะและถ้าเรามีสติเนี่ยนะมันเวลาทำอะไรเนี่ยใจมันก็เบานะใจมันเบา อย่างที่อาจารย์ชุนเรียลเนี่ยเวลาท่านขนหินเนี่ยใจท่านไม่ได้ขนทุไม่ได้ขนหินด้วยใจท่านเบาดังนันท่านถึงบอกว่าผมพักตลอดเวลาเนี่ยผมพักทั้งวันเนี่ยและการทํางานนะอย่างที่เราทำนะเมื่อเช้าหรือตอนบ่ายเนี่ยระหว่างที่เราทําไปใจเราก็ปล่อยวางไปด้วยนะ ปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตปล่อยวางจุดมุ่งปล่อยวางจุดหมายปลายทางมันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเราก็ทําไปไม่นึกไม่บ่นว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะอันนี้ก็เป็นการปล่อยวางอย่างนึ่งนะซึ่งเรียกว่าเป็นการทําจิตด้วยเหมือนกันอันนี้ใช้ได้กับทุกงานนะเวลาเจ็บเวลาป่วยอ่าเราก็ทําจิตทําจิตคือว่ายอมรับความจริงว่า เออร่างกายมันเจ็บป่วยแล้วไม่บ่นไม่ตีโพลตีพายไม่โวยวะไม่วยวายว่าทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นยอมรับความจริงและอาจจะรวมไปถึงว่าเออมองว่าเนี่ยเข้ามาสอนทำให้ความเจ็บป่วยมาสอนทำให้เห็นถึงความไม่เทียงของสังขารแล้วก็เตือนให้เรารู้ว่าวันหน้าอาจจะเจอหนักกว่านี้การที่เรามองหาทำจากความเจ็บป่วยนี่ก็เริ่เรื่องการทํำจิต แต่ว่าทําแล้วเนี่ยพอแค่นั้นไหมยังไม่พอนะก็ต้องทํากิจก็คือว่าต้องรักษาต้องรักษานะาไม่ใช่เห็นว่าเออเจ็บป่วยนี่ป่วยกายใจไม่ป่วยหรือว่าเขามาสอนทำให้เห็นว่าสังขารไม่เที่ยงแล้วเราก็เลยเฉยเฉยไม่ทําอะไรปล่อยให้มันป่วยไปอันนั้นไม่ถูกนะก็ต้องทํากิจรักษานะรักษาบริหารกายนะ กินอาหารที่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องการทากิจเป็นทางการทาหน้าที่ต่อร่างกายต่อสังขารเหมือนกับเรือเรือมันผุเรือมันพังเราไม่ทุกข์แต่เราก็ซ่อมนะอย่าไปเข้าใจว่าเออเรือมันผุเรือมันพังมันเป็นธรรมดานะไม่มีอะไรที่เที่ยงทำจิตเสร็จแล้วก็เลยไม่ทำกิจปล่อยวางอันนะั้น จะเอาปล่อยปแล้วเลยก็ไม่ถูก เ, เคยมีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับหลวงพ่อชายอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือว่าสมัยที่วัดหนองประพง์นี่ยังไม่ได้มีญ า, าติโยมมาอุปถัมภ์มากนะคือยังไม่ดังพูดง่ายๆกุฏิเสนาสนะก็ไม่ค่อยดีนะบางทีก็เป็นแค่มุงด้วยยญกาคาหรือมุงด้วยจาก ก็มีกุฏิหลังหนึ่งนะมาเข้าใจว่าโดนฝนโดนโดนพายุเนี่ยมันก็เลยรั่ววันหนึ่งหลวงพ่อชาเดินผ่านกุฏิหลังนั้นก็มีพระอยู่แล้วก็ฝนก็ตกพรำพรำพอฝนกตกพรำพรำเนี่ยนะมันก็รั่วโดดเข้าไปในกุฏนะิพระท่านก็คอยหลบนะ หลบฝนรั่วตรงไหนท่านก็หลบไปอีกทางหนึง่งหลวงพ่อชาก็เลยถามว่าท่านทำอะไรเนี่ยนะคือถามท่านองว่าทำไมไม่ไม่ซ่อมไม่ไม่ดูแลหลังคาพระท่านก็ตอบว่าผมปล่อยวางครับหลวงพ่อชาก็เลยตำหนิว่าปล่อยวางแบบพุทธศาสนานี่มันไม่ใช่วางเฉยแบบวัวแบบควายนะคือปล่อยวาง ใจไม่ทุกข์ดีแล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องซ่อมหลังคานะอันนี้เรียกว่าทําจิตอย่างเดียวไม่พอต้องทําจิตด้วยหลังคารั่วนี่ไม่ทุกข์นะดีแล้วนะแต่ว่าก็ต้องซ่อมนะต้องรักษาอันนี้เรียกว่าต้องทําจิตต้องทำจิตควบคู่ไปกับการทําจิต แต่บางครั้งเนี่ยนะเราเราทำกิจแล้วเราไม่ได้ทำจิตก็มีเช่นเวลาทำงานเนี่ยทำไปบนไปทาไปบนไปถึงแม้จะไม่บนออกมาดังๆแต่ว่าใจนี่บนอันนี้ก็เรียกว่าทำกิจแต่ไม่ได้ทำจิตนะก็ต้องปรับจิตปรับใจของเราสมัยนะเวลาของหายนะเวลาของหายอ้าวเราไม่ทุกถือว่า ไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรที่เป็นของเราเราทำใจแล้วแต่เราก็ต้องทำกิจด้วยก็คือว่าหาทางป้องกันไม่ให้มันหายต่อไปอีกนะก็ต้องพิจารณาว่ามันหายเพราะอะไรเพราะความประมาทของเราหรือเพราะว่าไม่ได้อไม่ได้ล่ามโซ่ไม่ได้ติดกุญแจต่างๆ อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาจัดการนะ อาจจะสร้างรั้วอาจจะหาอะไรมาค้อมารักษาเอาไว้นี่เรียกวการทากิจให้เราเนี่ยนะตัหนดักไว้เสมอนะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมันต้องทำคู่ไปทั้งสองอย่างตลอดเวลาทำกิจ ด, ด้วยทำจิต ด, ด้วยนะซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะทำกิจแต่ไม่ได้ทำจิต นะก็เครียดใจผลผลงานออกมาดีแต่คนเครียดส่วนอี้ประเภทหนึง่งทำจิตแต่ไม่ทำกิจคนสบายใจสบายปลอดโปรง่งแต่ว่าปัญหาบานเบอร์ตามมาหรือว่าไม่มีผลงานออะไรออกมาเลยนะอันนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง กลับมาสู่ทางสายกลางนะซึ่งวันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนนะและการที่เราเนี่ยได้รู้จักเรื่องการเจริญสติเนี่ยมันนับว่าดีมากเพราะว่ามันช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําจิตได้กับทุกเรื่องไม่ว่าเราทํากิจอะไรก็ตามนะเย็บผ้าก็ไม่ใช่เป็นแค่การทําจิตไม่ใช่เป็นแค่การทํากิจ แต่ว่าก็ทำจิตไปด้วยฝึกใจไปด้วยจริงเรื่องการทาจิตนี่มันมีหลายแง่มุมนะมันไม่ใช่แค่ปล่อยวางอย่างเดียวมันรวมถึงการมีสติมันรวมถึงการดูใจมันรวมไปถึงการที่เรารู้จักมองสิ่งต่างๆให้เป็นธรรมะนะอะไรเกิดขึ้นกับอะไรเกิดขึ้นกับเราเราไม่ทุกนอกจากไม่ทุกแล้วเรายังได้เห็นธรรมะจากมัน เนะช่ น, นความเจ็บความป่วยดเราก็เห็นธรรมะจากมันความสูญเสียความพัดพรางเงินหายของหายเราก็เห็นธรรมะจากมันนะถูกตําหนิถูกต่อว่าเราก็เห็นธรรมะจากมันนะมันสอนเรื่องโลกธรรมมันสอนเรื่องความไม่จีรังมันสอนเรื่องความไม่เที่ยงมันเตือนให้เรามันสอนให้เราไม่ประมาทเตือนให้เราตระหนักถึงความ อ่าพันผลเปลนแปที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าที่ยิ่งกว่านั้นจับหลักให้ได้นะแล้วโดยเพราะหลักนี้เป็นหลักใจมากนะที่ถ้าเราเข้าใจนี้ก็จะสามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆนะให้เกิดทั้งผลที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ผลที่เป็นนามธรรมคือความเ ป, ปลี่ยนแปลงในจิตใจเวลาทํางานนะงานก็ได้ผลผลก็เป็นสุขนะอาหลักคํานี้เอาก็พูดกันเท่านี้อา่ากราบคระ